ใครเคยไปเที่ยวสวนโมกและไปชมโรงหมอศกทางวิญญาณเนี่ยเราจะเห็นมีภาพพิสรธรรมต่างๆมากมายบางภาพก็มีข้อเขียนเป็นนิทานท่าว่าชอบใจีิทานอยู่เรื่องหนึ่งคือเห็นภาพแล้สะดุดตาคือจะมีภาพพมหัวเลาะแล้วก็มีภาพของบัวหมาและลิงภาพีสะดุดสายตาคน เรื่องนี้ก็มีมีชื่อเรื่องว่าพระเจ้าสร้างโลกพิณิทานเสียดสีล้ออายุหรือล้อมนุษย์เนี่ยครั้งหนึ่งพระพรหมได้สร้างโลกขึ้นมาแล้วก็ได้สร้างสิ่งชีวิตสิ่งมีชีวิตนั้นก็เข้ามาถามพระพมว่าให้เรียกว่าอะไรแล้วมีชีวิตอยู่ทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วมีอายุเท่าไหร่ พระผมก็ให้เรียกว่าคนแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยอายุสาสิบปีหลังจากสร้างคนแล้วพระพรมด้ไปสัญญาคนว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในอายุสามสิบปีเนี่ยพระผมก็กลัวว่าคนเนี่ยจะลำบากจึงสร้างบัวขึ้นมาและให้บัวเนี่ยมีหน้าที่คอยทำงานรับใช้คน และมีอายุ30ปีปัวหลังจากถูกสร้างมาแล้วรู้หน้าที่ตนก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าการทำงานรับใช้คนเนี่ยเป็นงานหนักแถมอายุยืนอีกต้อง30ปีจึงต่อรองกับพระผรมว่าขอมีอายุแค่10ปีก็พอ30ปีนานไปพระผรมก็ตามใจฝ่ายคนหลังจากทราบว่าปัวเนี่ย ลถอายุยี่สิบปีด้วยความโลภและอยากเอาเปรียบเพื่อนคนจึงเข้าไปหาพระพรหมและขออายุของบัวพระพรหมก็ใจดีนะจึงยกอายุของบัวให้ทำให้คนจากอายุสามสิบปีกลายเ ป, ป็นห้าสิบปีหลังจากนั้นพระพรหมก็พิจารณาดูไว้มีคนมีบัว แต่ว่าถ้าเกิดหาทรัพย์สมบัติมาเนี่ยกลัวมนุษย์ลำบากจึงสร้างหมาขึ้นมาและให้หมาเนี่ยมีหน้าที่เฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์สมบัติช่วยดูแลรักษาสมบัติให้คนมีอายุสาสิปีไฟหมาก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะการอยู่เฝ้าบ้านรับใช้คนเนี่ยต้องสาสิปีก็นานไปจิ๋ขอะรดอายุ ก, กับพระผมเหลือสิปีก็พอพระพรมก็เหมือนเดิมตามใจ ฝ่ายคนข้นทราบข่าวด้วยความโลภเนี่ยและเห็นว่าพระโฮมตามหญ่ตัวเองจึงเข้ามาหาเหมือนเดิมและขออายุของหมาที่รอด20ปีพระโฮมก็ใจดีให้เหมือนเดิมแหะตอนแรกคนมีอายุ50ปีก็เพิ่มขึ้นมาเป็นอีก20ก็เป็น70ต่อมาพระโมก็เห็นว่าเอ๊ะสร้างวัวสร้างหมาแล้วก็กลัวคนจะเบื่อจะเซ็งจะเหงา จึงสร้างลิงขึ้นมาเพราะลิงเนี่ยเป็นตัวตลกสำหรับให้คนเนี่ยได้ผ่อนคลายมีความสุขและให้ลิงเนี่ยมีอายุสาสิบปีลิงก็เหมือนเดิมลิงไม่ค่อยพอใจเพราะการที่แสดงตลกขบขันเนี่ยให้คนเนี่ยถือเป็นงานหนักเหมือนกันตัวเองก็คงเสียงหน้าดูจึงเข้าไปเหมือนเดิมลดอายุขอแค่สิบปีก็พอ พระพุธก็ให้คนที่นี้ก็มาขออายุเหมือนเดิมแหละแล้วก็พระพุธก็เหมือนเดิมพระภูุธก็ให้เหมือนกันให้ตาปกติคนก็ได้อายุลิงมาตอนนี้จากเจ็ดสิบก็เป็นเก้าสิบพระองุ์ก็หัวเราะจากนั้นพระพุธก็สร้างโลกให้มีแสงมีพระอาทิตย์พระจันทร์มีปรากฏการณ์ต่างๆจะสมบูรณ์แล้วก็ถ้าเราพิจารณาจะเห็นว่าคนเนี่ย ช่วง30ปีแรกที่เป็นอายุของตัวเองเนี่ยและลไม่ต้รับผิดชอบอะไรเนี่ยจะเป็นอายุชีวิตของคนแท้มีความสุขสนานแต่พอไปรับอายุของวัวมาตั้งแต่30ปีถึง50ปีเนี่ยจะต้องทํางานหนะักรับผิดชอบครอบครัวเฝ้าวิตกกังวลต่างๆบางทีคิดเรื่องงานกลางคืนเนี่ยนอนเป็นฟันกลางวันเป็นไฟคิดวางแผนทางานแล้วก็ตอนเช้ากลางวันต้องรีบไปทำแล้ว ชีวิตจึงอยู่กับปวาบุ่วายคารับผิดชอบต่างๆสร้างเดิสร้างตัวพออายุห้าสิบถึงเจ็สิบปีคนไปรับอายุของหมามาทีนี้คนแก่อาจจะไม่ได้ทางานหนักแต่ก็ต้องเฝ้าทรัพสมบัติบางทีก็เฝ้าวิตกกังวลจกุกจิกจุ้จี้ที่บนมีอะไรหน่อยก็ใจอย่ว้วยจะเหมือนหมาน่ะหมาบางทีเราสังเกตจะเเ็นโตเน่เห็นงูเน่ะ ก็จะร้องเห่าเห่าไม่หยุดอะคือวิตกกังบวลหมาตุ๊กอีกเหมือนกันเวลาเห่าตัวหนึ่งก็อีกตัวหลายตัวก็ลุมเห่าตามไปหมดอะวุ่นวายหมดคือเป็นคนที่โตกโตกใจชีวิตมีความสุขหลังจากนั้นอายุเจ็ดสิปีขึ้นไปเนี่ยถึงเก้าสิบก็ไปรับอายุของลิงมาเราจะเห็นว่าคนแก่เนี่ยสุขภาพเสื่อมโทรมบางทีก็คิดเหมือนเด็ก ทำอะไรเหมือนเด็กเพราะหลงๆ ล, ม ล, มลืมตามสาภาพเพราะสมองก็เสื่อมความจำต่างๆก็โดดถดถอยลงที่คนแก่ยังถูกสารเนี่ยให้เป็นผู้ไร้ความสามารถเลยไม่สามารถเซ็นอะไรตัดสินใจไรายได้ให้ลูกหลานที่มีความสามารถทำเพราะแม่งั้นเดี๋ยวไปเซ็นอะไรให้ใครเนียุ่งเลยไปยกสมบัติอะไรเงี้แล้วคนแก่บทีก็แสดง ให้ลูกๆหลานเห็นว่าเป็นบางคนก็เป็นคนตลกอ่ะลืมรู่นลืมนี่ปั๊บเป๋เอเป๋ออันนี้เป็นอายุของลิงตั้งแต่เป็นคนเนี่ยตั้งแต่เด็กแก่จนถึงตายแล้วก็จบปิดฉากชีวิตคนคนเราก็เท่านี้อ่ะจะยังไงก็ต้องตายไม่มีใครรอดเมื่อช่วงนี้ ที่ประเทศปากีสถานเนี่ยมีข่าวน้ำท่วมและไม่ใช่น้ำท่วมธรรมดานะท่วมชีิดที่ว่าบ้านเรือนเนี่ยเสียหายเป็นล้านหลังคาเรือนเลยคนก็ตายไปพันละคนละตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นบาดเจ็บก็หลายพันน้ำละลายจากภูเขาหิมาลัยจากภูเขาน้ำแข็งมาสมทบกับฝนตกหนักหลายวันเนี่ย ทีไปดินผสมโคลนที่มีการทำลายล้างสูงพัดไปทางไหนเนี่ยบางทีโรงแรมหรือตึกหลังใ ห, ใหญ่เนี่ยหรือบ้านที่ดูแข็งแรงเนี่ยทลายในพิบตาเลยทลายมวสภาพรถ ด, ดยลอยเห็นแล้วก็โอ้โหน่าสังเวชน่ากลัวมากถนนถนนก็พังตอนนี้ประเทศปฏิรูจสถานยับเยินหมดเลยอย่างเมื่อสองวันก่อนในโลกโซเชียลก็มีการถ่ายภาพของกรุงเทพ ซึ่งมีเมฆดำทะมืนไบ ป, ปกคลุมทั้งเมืองเป็นภาพที่เราก็ไม่เคยเห็นนะดูดูดูน่าเกรงขามมากน่ากลัวดำและจับเป็นก้อนแต่ประเทศไทยก็ไม่เคยมีน้ำท่วมข้างไหนจะร้ายแรงเท่าประเทศเพื่อนบ้านไม่จะเป็นบากีสถานไม่ได้จีนหรือประเทศญี่ปุ่นหรือเงี้ยของไทยก็พอสมควรไม่เสียหายมากทําให้นึกถึงนิฏฐาเรื่องหนึ่ง นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องพระเจ้าไปช่วยวิชายคนหนึ่งชื่อว่าสมศักดิ์สมศักดิ์เป็นคนที่นับถือคิดศาสนาและเป็นคนที่มุ่งมั่นมากคือเป็นคนดีทําตามคําสอนของพระเจ้าทุกอย่างและขอพอรพระเจ้าตลอดแล้วอยู่บ่าวันหนึ่งเนี่ยก็มีพายุเข้าแล้วก็น้ำจะท่วมเมืองมีเพื่อนบ้านนี่แหะ ต่างคต่างย้ายออกไปหมดแล้วเพราะวทางการประกาศให้เป็นสถานที่เนี่ยเสี่ยงอันตรายให้ออกจากเมืองนี้ไปก่อนเพื่อนบ้านขับรถผ่านมาก็รีบเตือนสมศักดิ์ให้รีบหนีอย่าอยู่บ้านอันตรายสมศักดิ์ก็าบ อ, อกไม่ต้องขอบคุณเดี๋ยวพระเจ้าช่วยผมเองคือสมศักดิ์มั่นใจพระเจ้าเราช่วยตัวเอง แล้วระดับน้ําก็สูงขึ้นเรื่อยๆจนท่วมบ้านชั้นแรกสมศักดิ์ก็คือไปอยู่บ้านชั้นสองขณะนั้นก็มีเรือมารับสมศักดิ์ก็ไม่ยอมไปนะบอกคุณไปช่วยคนอื่นเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าหน้าที่นี้เดี๋ยวพระเจ้าช่วยผมเองเรือก็ไปแล้วตกกลางคืนน้ําก็ท่วมถึงหลังคาสมศั ก, กดิ์ก็เราอยู่บนหลังคา ตอนนี้ก็มีเฮลิคอปเตอร์แล้วก็หน่วยกู้ภัยเนี่ยมารับให้สมศักดิ์ขึ้นเครื่องบินเพราะน้ำน้ท่วมระดับสูงมากแล้วอันตรายสมศักดิ์ก็ปฏิเสธหน่วยกู้ภัยไปว่าไม่เป็นไรคุณไปช่วยคนอื่นเถอะเดี๋ยวพระเจ้าช่วยผมเองนักบินแล้วก็หน่วยกู้ภัยก็จากไปแล้วสมศักดิ์ชายผู้เท่งในสาสนา ก็ต้องจมน้ำตายหลังจากตายไป ด, ยด้วยความที่เป็นคนดีจึงไปที่สวรรค์นะั่นแหละไปถึงก็เจอพระเจ้าพระเจ้าก็เอ่ยปากทักทายเจ้าเนี่ยอายุยังน้อยไม่น่าตายก่อนแหวสมควรเลยน่าสงสารสมศักดิ์ก็แสดงสีหน้าบอกบุญไม่รับแล้วเอ่ยคิดว่า ผมเองก็คิดแบบนั้นแหละว่าผมไม่ควรตายก่อนแวร์สมควรเลยเป็นเพราะท่านไม่ยอมช่วยผมแท้ผมถึงต้องมาเป็นแบบนี้พระเจ้าก็คิดว่าเจ้าเดยวมโง้เองห้าละช่วยเจ้าโดยส่งรถส่งเรือส่งเครื่องบินไปรับเจ้าก็ปฏิเสธทุกครั้งแเจ้าจะมาว่าข้าไม่ช่วยได้ไงสมศักดิ์ได้ยินอย่างนั้นก็เข้าใจยอมรับชะตา ก, กรรม พรตัวเองเป็นคนปฏิเสธการช่วยเหลือจากพระเจ้าเองพระเจ้าของสมศักดิ์คืออาจจะมองเป็นเรื่องต้องเป็นพระเจ้ามาเป็นตัวเป็นตนแต่พระเจ้าจริงๆแล้วเป็นสรรพสิ่งไม่ใช่ตัวตนอาจจะใบรูปแบบอื่นก็ได้ที่ช่วยเราสามครั้งอย่างปฏิเสธเลยซึ่งก็เหมือนกับชีวิตคนเราหลายคนเนี่ยบางทีก็อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยแต่บางทีก็ผิดหวัง เพราะจริงแล้วเราช่วยเหลือตัวเองก่อนเพราะถ้าช่วยเหลือตัวเองได้จะดีกว่าให้สิ่งภายนอกมาช่วยที่ขานแงนี้เรื่องนี้ก็ให้แง่คิดดีนะทีเราช่วยตัวเองก่อนต่อมามีทธทานเรื่องหนึ่งเรื่องที้มาก็ชอบมีเศรษฐีคนหนึ่งแกเป็นคนที่ร่ำรวยมากแต่แกก็มีโรคประจำตัวเป็นคนที่ปวดหัวบ่อย พเพราะเศรษฐีเนีเป็นคน จ, จุกจิกจุจี้ที่บนและเป็นคนมองโลกในทางลบอารมณ์แบบฉุนเฉียวโมโหง่ายเห็นอะไรก็หวางหัวของตากนหลักๆเข้าแกก็ปวดหัวปวดหัวเรื้อรังก็เที่ยวไปประกาศให้ถ้ามีหมอมรักษาให้หายได้ก็จะให้รางวัลอย่างงดงามแต่ก็ไม่มีใครรักษาให้เศรษฐีหายปวดหัวได้จนอยู่มาวันหนึ่ง ได้มีฤาษีที่มักคุ้กันเนี่มาเยี่ยมเศรษฐีที่บ้านเศรษฐีก็เล่าอาการให้ฟังฤาษีหลังจากฟังจบก็ขึ้นว่าโรคของเจ้าเนี่ยรักษาง่ายทีดเดียวแค่เจ้าเนี่ยบอกโลกบองทุกสิ่งให้เป็นสีเขียวแล้วปวดหัวงเจ้าก็จะทุเลาลงเศรษฐีดีใจเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองทําได้ง่ายหลังจากฤาษีจากไปแล้วเศรษฐีก็ จ้างช่างทาสีมาหลายร้อยคนเลยให้เอาสีเนี่ยไปทาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านให้เป็นสีเขียวแล้วก็ซื้อเสื้อสีเขียวแจกทุกคนในหมู่บ้านให้เขาใส่ให้หมดคือเศรษฐีเป็นคนที่รวยมากแล้วมีสิพนเลยจะจ้างใส่เสื้อจ้างให้ทาสีบ้านเป็นสีเขียวคือเมืองทั้งเมืองตอนนี้มองมาทางไหนก็สีเขียวหมดเศรษฐี ถ้าเริ่มมีความสุขขึ้นยิ้มได้ความพที่ตกของวัวต่างๆก็น้อยลงคือเห็นอะไรเขียวว่าสบายใจสบายตาสามเดือนผ่านไปฤสีก็กลับไปเยี่ยมเศรษฐีครั้งหนึ่งแต่มาครั้งนี้ฤสีก็ ต, ตกใจเพราะว่าช่างทาสีเนี่ยไล่จับบอกว่าเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้จะต้องทาสีเขียวก่อนก็ ว, วิ่งหนีช่าทาสีจนไปถึงที่บ้านคาเจอเศรษฐีเศรษฐีก็ตำหนิไอ หรืีก็ตำหนิเศรษฐีวัฒนายังแบบนี้ค่าไม่ได้สั่งให้เจ้าเนี่ยใช้เงินจ้างช่างประทาสีหรือทำแบบนี้ทำแบบนี้แค่เจ้าเนี่ยหาแว่นสีเขียวมาใส่ทุกอย่างก็จะสีเขียวหมดแล้วคือนิทานเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดว่าเศรษฐีเนี่ยต้องการถามให้คนอื่น เ, นเป็นแรงใจเราแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนท่าทัตินะแก้ไขที่ตัวเราเอง เราไม่อยากไปต้องให้คนอื่นมาได้แรงใจเราเนี่ยความทุกข์เราก็ลดลงทันทีเลยเพราะคนอื่นเราแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วแต่ตัวเราแก้ไขได้แค่แว่นเอาแวน่แวนมาใส่แว่นสีเขียวทุกอย่างต้เขียวหมดแต่ถ้าไปให้คนอื่นใส่เสื้อสีเขียวท่าบ้านเป็นสีเขียวอันนี้เราไปจัดการคนอื่นซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องประคั่ก็ได้ผลแต่ได้ชั่วคราวนั่นเองไม่ได้ยาวๆหรือถาวรแต่ถ้าแก้ตัวเองเนี่ย จะทำให้ปัญห า, ต, าต่างเนี่ยขี้ขายแบบถาวรให้เรารู้ว่าเราเป็นคนที่สายยังไงเราเนคนขี้โกรธเราก็ต้องมีเมตตาเมตตาต่อเพื่อมนมนุษย์ด้วยกันจเจริญเมตตาจิตถ้าทำํำบ่อยๆความปวดก็แล้วก็ทุราลงแล้วก็เห็นคนในแง่ดีไม่เพ่งโทษชีวิตก็เบาบางลงหรือไม่นควรจุกจิกจู้จี้ที่บนแล้วก็พูดให้ด้อยลง เจออะไรก็นิ่งสงบเห็นทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นเองแล้วก็ผ่านไปไม่เอาถูกไม่เอาผิดและอื่อีกมากมายแล้วเราก็ต้องปรับปรุงที่ตัวเราเองพิธา น, นี่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องหนึง่งต่อมาก็มีพิธานอีกเรื่องหนึง่งพิธานเรื่องนี้เขียนโดยลีโอตอรสตอยถือว่าเป็นนักคิดนักเขียนหรือเป็นปราชญ์ของรัเสเซีย มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นคนที่มหาอุธมาคันทีนับถือทีทานที่เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรสำคัญที่สุดทีพระราชาอยู่พระองค์หนึ่งพระราชาคิดปัญหาไม่ตกคือปัญหาพระองค์เนี่ยมีหนึ่งเวลาอะไรสำคัญที่สุดสองใครเป็นคนสำคัญที่สุด 3ภารกิจอะไรสำคัญที่สุดเท่าไหร่เท่าไหร่คิดไม่ออกปล่าประกาศให้ถ้ามีใครเนี่ยสามารถตีป็ิศนาสามข้อนี้ได้พระ อ, องค์จะให้รางวัลอย่างงดงามเลยหลังจากปล่าประกาศไปก็มีพวกนักคิดนักคิดนักป่าต่างๆคนที่มีความรู้เนี่ยก็มาเฉลยปัญหามากมายแต่ไม่มีใครตอบ ถูกใจพระราชาจึงไม่มีใครได้รางวัลพระราชาคิดอยู่งหลายคืนจนได้ข่าวว่ามีฤาษีอยู่ท่านหนึ่งถือว่าเป็นผู้รู้มีคนรับถือมากอาศัยอยู่บนเขาสูงตามลางพังฤาษีชัานนี้เป็นคนที่บินิสัยไม่ค่อยจะรับคนรวยหรือคนมียศถาบระดาศักด์ด้วยความที่อยากให้ปัญหาเฉลยพระราชาจึง ตสินใจเดินทางไปหาฤาษีบนยอดเขาโดยปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเพื่อจะได้เข้าพบฤาษี ง, ง่ายๆโดยไปกับองค์รักองค์รักษ์ก็เฝ้าที่ดินเขาพระราชาก็ปีนเขาขึ้นไปตามลำพังหลังจากขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็เจอฤาษีกําลังขุดดินอยู่ ลูเสียอายบ้างแล้วเวลาขอบขุดดินไปก็หอบแฮกแท ก, กทุกครั้งพระชาชเอ่ยถามลูเสีว่าข้ามหาท่านเนี่ยก็มีปัญหาใช้ท่านช่วยคีคายช่วยบอกให้รู้หนึ่งเวลาอะไรสำคัญที่สุดสองใครเป็นคนสำคัญที่สุดสามภารกิจอะไรสำคัญที่สุดลูเสีก็ฟังด้วยสีหน้าใส่ใจ แต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรนะแล้วก็ตบไหลพระราชาเบาๆแล้วก็แล้วก็ขุดดินต่อพระราชาเกิดสงสารฤศรีจึงอาสาขุดดินแทนหลังจากรับจอบมาก็ขุดดินให้ฤศีได้พักขุดไปได้สักชั่วโมงหนึ่งพระราชาก็เอ่ยเอ่ยถามปัญหาเหมือนเดิมฤศีก็ไปตอบแถมยื่นมือ ขอรับจอบเพื่อจะขุดต่อพระราชาไม่ยอมก็ขุดต่อไปอีกสองชั่วโมงจนพราทิตย์รับขอบฟ้าฟ้ามืดเข้ามาพระราชาวางจอบแล้วก็เอ่ยถามฤาษีว่าขอทัดต่อปัญหาให้ผมด้วยถ้าตอบไม่ได้ผมก็จะลากลับแล้วฤาษีก็ไม่ได้ตอบนะแล้วบอกพระราชานองฟ้านูนี่ว่ามีเสียงอะไรเสียงเหมือนคนวิ่งมา สักพักหนึ่งก็มีคนวิ่งหน้าตาตื่นกุมท้องแล้วก็มาล้มลง ต, ตีต่อหน้าพระราชาพระราชาเห็นก็รีบเข้าไปาประคอแล้วก็ช่วยห้ามเลือดโดยใช้ผ้าของตัวเองนี่แหละซับเลือดซับไปบิดไปจนเลือดหยุดไหลคนที่บาดเจ็บ ก็เอ่ยขอร่างพระราชาเขาวิ่งไปตักน้ํามาให้หลังจากนั้นก็พาคนเจ็บเนี่ยเข้าไปในกระท่อมซึ่งฤาษีก็แบ่งเตียงให้นอนด้วยความเหน็ดเหนื่อยพระราชาเนี่ยปีนเข่าขึ้นมาขุดดินไปตั้งหลายชั่วโมงไหนมาช่วยเหลือคนเจ็บอีกทําให้หลับสลบไปเลยตื่นไม่ทีก็งงเอ๊ะเราไปอยู่ที่ไหน เ, นเรามาทําอะไรลราก็เห็นชายคนคนนึงเนี่ย ชายคนที่บาดเจ็บไปแหละจ้องมองหน้าแล้วก็เอ่ยปากขึ้นว่าขอให้พระโอลเนี่ยอภัยข้าพรเจ้าด้วยพระชางงงองคอภัยเรื่องอะไรชายคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยตั้งใจจะบัค่าพระราชาโดยเฉพาะหลังจากทราบข่าวว่าจะมหาฤาษีแต่รอแล้วรอเล่าพระราชาก็ไปลงจากเขาแล้วทีจึงเปลี่ยนแผนขึ้นเขาซะเอง ระหว่างทางก็มาเจอองค์รักของพระราชาแล้วเกิดต่อสู้กันคือทหารองค์รักษ์ได้จับได้แล้วตัวเองก็พลาท้ า, ทาบาดเจ็บถูกมีดแทงที่ท้องแล้วก็วิ่งมาเนี่ยแล้วพระราชาก็ช่วยจนตอนตอนนี้ตัวเองสำนึกผิดแล้วว่าจะมาฆ่าพระราชาพระราชากลับช่วยชีวิตตนขอให้ให้อภยัยและจะ ผ่านมานับถือศรัท ธ, ธาตลอดชีวิตรพระราชาก็ดีใจนะที่สามารถเปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรได้ก็ให้อภัยทางนี้ก็เล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยพระราชาเนี่ยได้สั่งยึดทรัพย์และพิชายก็ตัวเดือตายในสงราจนยึดแค้นมากสัญญาสิ่งต้องฆ่าพระราชาได้แต่ตอนนี้ หายแล้วฝากคิดแบบนั้นพระธ า, าก็ลงเขาแล้วก็ให้ทหารเนี่ยนำคนเจ็บไปส่งที่บ้านให้ดูแลรักษายอย่างดีแล้วก็จะคืนท้าสมบัติที่ริบให้หลังจากนั้นขึ้นเขาอีกใหมา่เข้าไปหาคำตอบจากฤศีไปถึงกท็ทัวร์ขับทัวร์ทัวร์ขับถามเลยฤศีตอนนี้ก็กระวานไปเล่พืชลง ได้ดินเป็นสีก็ยิ้มยิ้มแล้วก็เอ่ยว่าท่านเองก็ส่างคำตอบแล้วไม่ใช่เหรอไพหาลงงที่เคยถามก็คำตอบอะไรไม่เข้าใจวัดก่อนถ้าท่านเนี่ยไม่สงสารข้าแล้วรีบลงจากเขาไป ก็จะเจอกับชายคนนี้แหละดักทําร้ายแล้วพระองค์ยังเสียใจจะเสียใจที่ไม่ได้พักแรวกับข้าตอนนั้นแหละเวลาสําคัญที่สุดก็คือเวลาที่พระองค์เนี่ยช่วยข้าขุดดินใครคนสำคัญที่สุดก็คือฉันภารกิจอะไรสําคัญที่สุดก็คือช่วยฉันขุดดินพระราชาก็ เริ er ่มเข้าใจอ่ะเพราะขนาดที่ขุดินเนี่ยก็เป็นไปรายสําคัญที่สุดและฤาษีก็คือคือคนที่สําคัญที่สุดงานงานช่วยกุดยินคือเป็นงานที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นเวลาปัจจุบันเนี่ยเวลาปัจจุบันขณะฤาษีก็เอ่ต่อขนาดที่ท่านช่วยคนเจ็บเนี่ยช่วยชายคนนั้นเนี่ยเวลานั้นสําคัญที่สุดใครคือคนสำคัญที่สุดก็คือชายคนนั้นคนที่ท่านช่วยแหละ ภารกิจอะไรสําคัญที่สุดก็คือภารกิจช่วยชีวิตปฐมจาบาลชายคนนั้นพระราชาจึงได้คำตอบแล้วก็สมหวังว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลาสําคัญที่สุดเพราะว่านอกเหนือจากปัจจุบันแล้วเราทําอะไรไม่ได้เลยถ้าเป็นความคิดก็เป็นอดีตหรือไม่ก็วาดฝันเป็นอนาคตพะนั้นปัจจุบันคนที่อยู่ต่อหนาเราหรือภารกิจทุกอย่างที่เราทําเนี่ยจึงสำคัญ และการไปแบปบประดับทาก็เหมือนกันนะการไปแต่ทําเนี่ยก็มีการเห็นเห็นหรือรู้ทันอารมณ์ควาคิดที่ปรุงแต่งครอบงมเราเนี่ยในปัจจุบันนะอันนี้นสาคัญถ้าเราเผลอหลงแล้วก็รู้ว่าเราเผลอเราหลงแต่ถ้าเราจมแช่อยู่ในอารมณ์เราก็อยู่ในโลกความคิดปรุงแต่งปรุงแต่งในอนาคตปรุงแต่งในอดีตอันนี้ไม่ไ ป, ปจุดไม่ไปปัจจุบันเราก็ต้องออกจากกองทุกข์ไม่ได้แหละชีวิตวนเวียน ถ้าอยู่กับปัจจุบันความทุกขต่างๆก็เข้ามาเข้รอบงำเราไม่ได้อันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลา